ครั้งครั้งสมัยพุ้ตการฉันใดแม้ในประเทศศรีลังกาท่านก็บอกว่าก็ทําอย่างนี้อยู่เหมือนกันศรีลังกานะที่เกาะสิงหน่อยอย่างเช่นบอกว่าภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ําคงคาข้างโน้นจะประชุมกันที่โลหะ ป, ปราศาทตอนนี้ก็เลยแต่เซาโดเดเนี่ยนะที่กวที่โลห์ ป, ปราศาสเนี่ยภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ําคงคาอีกฝั่งหนึ่งก็ประชุมกันที่ติดสะมหาวิหารที่เรว่าเขาแบ่งแบ่งกลางว่าลุ่มลุ่มน้ำไอ้โกลาฟากแม่น้ำเนีย่ยนะก็มีการประชุมกัน ในภิกษุสองพวกนั้นภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ําคงคาฝั่งนู้นถือเอาไม้กวาดสําหรับกวาดขยะแล้วก็ประชุมกันที่มหาวิหารโบกปูนพระเจดีย์ออกพรรษาแล้วก็ประชุมกันที่โลหะปราศาสธรรมวัดในอันที่อยู่ผาสุกออกพรรษาแล้วก็มาสวดบาลีและอัตตกถาที่ตนช่ําชองที่โรงเรียนนิกายทั้ง5้าในโลหะปราสาทตร์เขามีการสาธยายพุทธพุทธ พ, พร้อมกันเนี่ยนะมาสาธยายเพราะออกพรรษาปั๊บมาร่วมสาธยายเลย ทุกคนก็จะมามาสาธยายพระธรรมมันใครอยากกฟังปิฎกไหนก็มาเลยเนี่ยนะท่านจะช่วยร่วมกันสาธยายพร้อมกันน่ยมันจึงไม่มีการเลอะเลือนโดยอัฏฐะและพยัญชนะทุกคนก็สวดได้ทั้งหมดเนยนะมันจะสวดเหมือนกันหมดแล้วก็สวดยาวแบบที่แรบจะสวดกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสวดกันจนจบว่บา ง, งานนั้นเถอะเรียกว่ามีการสวดพระไตรปิฎกในโรงเรียนนิกาย5้ามีการเรียนลกละกมทีคณิกายกลุ่มมัชชิมนิกายก็ร่วมกันสาธยายไป ฝ่ายภิกษุอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํำคงคาก็ประชุมกันที่ติดสะมหาวิหารบรรดาภิกษุที่ประชุมอสองคราวอย่างนี้ภิกษุเหล่าใดเรียนกรรมฐานก่อนเข้าพรรษาไปแล้วก็กลับมาบอกคุณนะวิเศษเนี่ยนะก็จะมีการกลับมาเล่าสู่กันฟังอลไรลอะอย่างด้วยกันซึ่งสมัยนั้นเนี่ยพระเถระที่เป็นสังฆบิดรที่ดํารงอยู่ในฐานะบิดาแห่งสงฆ์เนี่ยต้องเป็นที่ศักการะเคารพยำเกรงเป็นอย่างมาก แล้วก็ในยุคนั้นพระไตรปิฎกนี่ถึงความแพร่หลายมากเนยนะมันเป็นยุคสมัยเรียกว่ายุคทองของผู้มีบุญเนี่ยนะยุคทองของพี่มีผู้มีบุญมันแต่ว่าในยุคหลังๆนี่ก็ถือว่าค่อนข้างหายาแล้วกระเดียดไปเรียนวิชาทางโลกกันส่วนใหญ่เนี่ยนะที่จะเรียนวิชาพระไตรปิฎกก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะคือคือมันเป็นยุคสมัยที่ชุมชนทั้งหลายไม่ค่อยยกย่องในคําสอนเนี่ยนะไม่ยกย่องในคําสอนก็ถือว่า คำสอนเนี่ยนาเรียนน้อยน่าใส่ใจน้อยไอการที่จะแบ่งเวลามาเรียนคำสอนเนี่ยนับว่าน้อยมากเนี่ยนะก็ทุกยุค ท, ทุกสมั ย, น, ยนะโดยเฉพาะยุคสมัยหลังๆมาเนี่ยการศึกษาพระธรรมคำสอนก็ลดน้อยถอยลงไปนนะแต่ถ้าหากว่ามันก็เป็นน่นะอย่างที่พระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเมื่อมีผู้ใดกล่าวพระพุทธพจน์กล่าวคำสอนของพระองค์ ชุมชนทั้งหลายก็จะไม่ใจใส่ใจฟังจะไม่เงียบโสดลงฟังแต่เมื่อใดที่เอาเรื่องอื่นมาพูดเอาเรื่องอื่นมาพูดนะเช่นเพอเจอร์เนี่ยโอ้ยเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยฟังกันแน่นถนัดเนี่ยนะบัตรพันหนึ่งก็ซื้อไปดูซื้อไปให้เพื่อดูเพอเจอร์เนี่ยนะบัตรห้าร้อยบัตรพันหนึ่งก็เอาหมดก็แสดงว่ายินดีบริโภคมิชฉาวาจาเนี่ยนะไม่ต้องการจะรับฟังสัมมาวาจามันก็เป็นมัน ก, ก็ตามอัธยาศัยอ่ะนะ เพราะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยอย่างไรก็เป็นไปตามธาตุอยู่แล้วล่ะพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าต่อไปอนาคตจะเป็นเช่นนั้นแม้กระทั่งว่าถ้าหากว่ามีการกล่าวทำตามคำสอนของพระองค์หมู่ชนก็ไม่เงี้ยโสดลงเพื่อจะรับรู้ไม่ต้องการเพื่อจะรับทราบไม่ต้องการเข้าใจแล้วเพราะมันก็เป็นคนที่ศึกษาคำสอนนั้นจึงชื่อว่าชุมชนส่วนน้อยคำว่าส่วนน้อยของสังคมที่น้อยนิดเดียวเองเนะ ไม่ไม่ได้มีปริมาณมากแต่ก็คาดไปเหินหนึ่งในแสนมันก็คาดหนึ่งในแสนถ้าว่าตัวเลขหนึ่งในแสนก็ทั้งหกสิล้านประเทศไทยก็ที่ถือทําเป็นประมาณก็เหลือไม่กี่คนน่นนะมันที่ถือเอาทําเป็นประมาณจริงๆนะมันโดยมากก็ถือเอาพักเอาพวกถือเอาพวกพ้องถือเอาเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นโลเป็นภายซากอย่างเลยนะถือพักพ้องถืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนักๆเข้าก็ถือลูกอมเม็ดหนึ่งอะนะถือแค่นั้นแหละจริงๆ มีราคาค่าตัวเท่ากับลูกอมเม็ดหนึ่งเท่านั้นนะไม่ได้ถืออะไรเป็นสาระแก่นสารอะไรเป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติเป็นพวกกลุ่มพระจันทร์ข้างแรมเนี่ยนะก็รอวันเสื่อมเออกมาเนี่ค่อนข้างเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันว่าขอเราอย่าได้เสื่อมเลยเนี่ยนะต้องสารตัวเองอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันกลัวจะเสื่อมกลัวจะไม่ได้ศึกษาคําสอนเนี่ยนะบอกว่าใครไม่ศึกษาก็ตามอัธยาศัยก็แล้ว ก, กันนรกเนี่ยไม่ได้เป็นของเรียนนรกสําหรับตัวเราเ น, นะมันก็รีบกวนขวายเนี่ยนะ มีหลายอย่างเนี่ยนะหลายครั้งบางวันเนี่ยถ้าเราตาพรลาดนิดหน่อยเราจะรู้เลยดีนะที่เรารีบศึกษาไว้ตั้งแต่อายุไม่มากนักแต่ค่อยยังชั่วนหน่อยเพราะว่าธรรมะเนี่ยแปลกว่าถ้าเราจะอ่านพอจะเข้าใจรู้เรื่องเลยนะต้องอยู่กับคําสอนอยู่กับพระไตรปิฎกนะกว่าเราจะจับทิศทางพระไตรปิฎกได้เนี่ยต้องอยู่กับพระไตรปิฎกอย่างน้อยวันละสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะวันละแปดชั่วโมงได้อย่างดีเท่าก็ดีเนี่ยนะเท่ากับทํางานแล้วก็ไม่ใช่ทําปีเดียว อันนะั้ถ้าเป็นไปได้ทําสัก5ปีขึ้นไปด้วยเหมือนกันวันละ8ดชั่วโมง5ปีขึ้นไปเนะี่ยหรืออาจจะ10ปีหรืออาจจะตลอดชีวิตนั่นแหละจะต้องอยู่ขนาดนั้นเราจึงจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านคิดอะไรท่านอยากจะบอกอะไรเราเนี่ยนะหรือเราเข้าใจท่านพลาดไหมเป๋ะไหมเป็นต้นเราก็อย่าใช้สูตรเดียวแล้วก็ศึกษาให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะศึกษาได้มันก็มีทางนี้ถามว่าเอาต้องการลัดตัดตอนรวบรัดทําอย่างไรอันนะัก็ตามอัธยาศัยก็แล้ว ก, กันเนี่ยนะ ก็มีบางคนขอเสนอทางเลือกพมาก็บอกว่าเชื่อสัปปัญญุตยานของพระพุทธเจ้าเชื่อวิธีการของพระพุทธเจ้า น, นะเราเองก็ถือพระพุทธเจ้าเป็นสาระคําสอนของพระองค์นี่กลั่นจากอสาธารณะญาณห ก, กลั่นจากทศพลยานสิบพระองค์จึงแสดงออกมาเพราะฉะนั้นขอเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเถอดถ้าจะเรียนก็ขอเรียนของพระพุทธเจ้าถ้าจะฟังก็ขอฟังของพระพุทธเจ้าก็เอาอย่างนี้เข้าว่า นันส่วนบุคคลเหล่าอื่นเขาจะศึกษาเช่นใดก็บอกว่าตามอัธยาศัยก็แล้วกันเน่ยนะพอดีเกิดมาในยุคสมัยประชาธิปไตยก็เลยพอดีกันเตะเลยเลยนะนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายก็บอกว่าเสรีภาพอิสรภาพเนี่ยนะนะไม่รู้ปแปลว่าอะไรไงนะแปลว่าทําตามราคะก็ได้ทําตามโทสะก็ได้ทําตามโมหะก็ได้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นอันนี้ต้องสอบสวนให้ดีว่าเสรีภาพนี่มันแปลว่าอะไรเหมือนกันเนี่ยนะพั้น พยายามที่จะใส่ใจให้ดีๆนะว่าการใส่ใจการริ่มเรียนในคำสอนเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดายิ่ง 2,000 กว่าปีมาจวบปัจจุบันนี่ใครไปอินเดียนี่เห็นสภาพเลยนะไม่เหลืออะไรอาลูกกวิหารถ้ำอาลูกกวิหารที่รถเรียบรจนาพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขียนเนี่ยนะที่อาลูกกวิหารเนี่ย ท, ที่ขึ้นไปมันนั้นนะ ที่อาโลกกวิหารเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่ใบลานเหลือแต่ร่องรอยของการจารึกไม่มีการเรียนพระไตรปิฎกแล้วสานักแห่งนี้ก็ไม่มีการเรียนพระไตรปิฎกแล้วที่ศรีลังกานะอาโลกกวิหารก็ไม่มีการเรียนพระไตรปิฎกแล้วจะค่อยๆอันตรธานไปเรื่อยๆอันตรธานไปเรื่อยๆเพราะว่าเหตุผลหลายประการด้วยกันแต่จะอย่างไรก็ช่างเถอะขอเราอย่าได้เสื่อมจากาศาสนาเลยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรนะกิจกรรมหลักของชีวิตมางั้นเถอะ ไม่ต้องการเสื่อมจากาศาสนายังไม่ต้องการตกไปจากาศาสนาอยากเรียกว่าอย่างไรนะดวงอาทิตย์ยังสว่างอยู่อีกตั้งหลายชั่วโมงยังไม่อยากจะหลับตามยังไม่อยากจะติดตาตัวเองยังไม่อยากจะทำตาตัวเองให้บอดขอได้เห็นภาพที่ดีๆหลายๆภาพจากแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เพราะแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแสงที่ส่องตามเป็นจริงจะไม่ส่งโดยถูกปรับแสงมาแล้วแต่ถ้าเป็นแสงสว่างอย่างอื่นอาจจะถูกแต่งแสงแต่งสีแต่งอย่างอื่นมา ให้เห็นภาพคนละด้านก็ได้อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้ทั้นก็ขอส่องภาพเรียกว่าใช้แสงแห่งพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยสอดส่องสํา ร, รวจตรวจตราขันห้าสำรวจตรวจตราเป็นไปตามคําสอนแต่เราก็ต้องพยายามทําใจว่าใจที่จิตติดอยู่กับคําสอนใจที่อยู่กับคําสอนนาทีหนึ่งก็เป็นบุญไปหนึ่งนาทีเนี่ยนะเราก็ส่องเสพพระพุทธเจ้าไปหนึ่งครั้ง เรียกว่าบัณฑิตผู้ใดจะเป็นบัณฑิตเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วถ้าเราฟังคําสอนของพระองค์หนึ่งนาทีเราก็ที่ไปอะไรนะบัณฑิตานันจะเสวนาซ่องเสพบัณฑิตใกล้ชิดบัณฑิตไป1นาทีถ้าอ่านหนึ่งสูตรเราก็ใกล้ชิดบัณฑิตเป็น1สูตรถ้าอ่าน10สูตรก็ใกล้ชิดบัณฑิตไป10สูตรถ้าอ่าน100สูตรพันสูตรห 0,000 สูตรก็ใกล้ชิดบัณฑิตไปเรื่อยๆถ้าสูตรเราใดอ่านซ้ํำๆก็แปลว่าเราคุยกับบัณฑิตเหล่านั้นเป็น ซ้ำๆกันหลายๆครั้งมันก็อ่านได้หลายๆครั้งโดยที่ไม่เบื่อก็เหมือนว่าไปเจอคนที่เขาดีที่สุดเนี่ยนะเจอคนที่อย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ดีที่สุดการอ่านไดหลายครั้ง10บๆครั้งร้งรอยครั้งพันครั้งก็เหมือนกับว่างานเลี้ยงเนี่ยเราเคยเบื่อไหมเป็นต้นเนี่ยโดยมากก็ไม่ค่อยเบื่องานสังสรรค์นี่เราก็พบปะสังสรรค์กับบัณฑิตโดยการอ่านการฟังการใคร่ครวนการไตร่ตรองการคิดนึกเชื่อเถอดบัณฑิตท่านรักษาเราให้พ้นจากทุกได้แน่นอน เ, นะเพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ใดประพฤติทำทมก็จะรักษาปกป้องคุ้มครองผู้นั้นเนี่ยนะัน้นถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนพระธรรมก็จะปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปสู่อาบายทุขติวิริบาตเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่พระพิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยนะสมัยก่อนมีการมาสาธยายเพราะว่าทุกท่านก็ทรงจาได้หมดแล้ว ก็เป็นสมัยช่วงไหนมาสาธยายพระธรรมร่วมกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปเจริญสมถาวิปัสนาสั่งสอนอัตธรรมให้แก่ประชุมชนเสร็จแล้วก็มารวมกันสาธยายอีกครั้งนั้นกิจกรรมของของท่านเหล่านั้นก็เป็นไปอย่างนี้กุศลธรรมก็เจริญกันนะทุกท่านก็แค่ว่าร่ำรวยกันด้วยอริยทรัพย์กันเต็มที่แต่ละท่านก็เจริญศรัทธาในพระธรรมตรา ย, ยิ่งยิ่งขึ้นแต่ละท่านศีลก็สมบูรณ์มากขึ้นแต่ละท่านก็มีริโอตาปะ แต่ละท่านก็เป็นสุตรเป็นผหูสูตรทรงจําคําสอนไว้มากร่ําเรียนคําสอนเอาไว้มากท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ที่อะไรที่สมบูรณ์ด้วยจาระและปัญญาเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความรู้มีความเข้าใจทรงจําในอนธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยมีมีกุลศลจิตเกิดมากประดุจคลื่นในมหาสมุทรอะไนกุลศลจิตของท่านเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่านก็หลั่งไหลไ ป, ไปตามคําสอน นะก็เป็นยุคทองของผู้ที่มีศรัทธาวางั้นทีนี้ถามว่ า, าถ้าเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วจะไปหาภิกษุดีๆอย่างนั้นที่ไหนอีกเนี่ยนะจะไปหาผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านั้นไปหาได้ที่ไหนเขาเรียกว่ามโนภาวณีเยแปลว่าเป็นที่เจริญใจเป็นที่อ บ, บรมใจหมายความว่าเห็นท่านแล้วก็สบายใจเนี่ยนะไปหาพระเหล่านั้นได้อย่างไร บอกว่าภิกษุเหล่าใดเจริญเพิ่มภูมมโนมณะลอยกิเลส ด, ดุจธุลีมีราคะเป็นต้นเสียภิกษุเห็นปานนั้นได้ยินว่าพระเถระถึงพร้อมด้วยวัดพบภิกษุแก่ก็ไม่แข็งเออก็แข็งไม่ยอมนั่งคือคือไม่เออปกติเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ลำพองมากๆ เ, เห็นใครมามาก็มาสิตัวเองก็นั่งคือไม่สนใจแต่แต่ท่านก็ ไม่ยอมนั่งอ่ะท่านออกไปต้อน ร, รับรับร่มรับบารับจีวรข้อเตียงต่างถวายเมื่อท่านนั่งในที่นั้นแล้วท่านก็ทําวัดจัดเสนาสนะถวายคือพระนนเนี่ยเป็นอย่างนั้นท่านยินดีที่จะพบผู้มีศีลท่านปรารถนาที่จะเห็นผู้มีศีลเมื่อพระพิสุผู้มีศีลมาเนี่ยนะท่านก็ออกไปต้อนรับออกไปเชื้อเชิญนีนะออกไปต้อนรับเชื้อเชิญจัดที่อยู่จัดที่อาศัยถวายให้เสร็จ ถ้ามีพระใหม่มาท่านก็ไม่นั่งนิ่งเข้าไปหาใกล้ๆเพราะฉะนั้นพระเถระไม่เสื่อมจากข้อวัดปฏิบัติก็เลยถามว่าข้าพระองค์จะพบพระพิสุผู้ยังใจให้เจริญหรือเป็นที่เจริญใจได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคดำรวิว่าอานนท์คิดว่าเราจักไม่ได้พบพิกสุที่น่าเจริญใจเอาเธอเราจักบอกิบบอกสถานที่ที่พบภิษุน่าเจริญใจแกเธอ ที่เธอไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยนะไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วจะได้พบเห็นภิกษุที่น่าเจริญใจก็เลยกล่าวถึงสังเวชนิยสถานนี่แหละที่จะพบผู้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบท่ามกลางประชุมชนเนี่ยนะจริงๆก็อย่างที่ว่ามีทุกประเภทจริงๆในสังเวชนิยสถานเกือบทุกลิกนิกายอะนะที่นับถือพระพุทธศาสนาอยากนับถือกลุ่มไหนไดเถอะเนี่ยนะ จะไปนั่งเคร ว, ว่าไปนั่งดักรอเถอะเดี๋ยวจะเจอแล้วมีทุกประเภททุกลทัทธิทุกนิกายแล้วก็มาจากเกือบทั่วโลก น, นนะที่ไปแล้วโอ้สารพัดจริงๆเลยนะบทสวดนี่แหมก็สารพัดพ ร, พระภิกษุเนี่ยในในในละแวกบ้านในละแวกเอเชียเราเนี่ยเอเชียใต้เนี่ยนะแถวๆเนี่ยพระภิกษุเวียดนามพระภิกษุกเมรพระภิกษุไทยพระภิกษุเวียดนามพระภิกษุ ภูฐานพระิษุจีนุ้ยมีไปรวมกันแล้วก็สวดเวียนกันไปสวดเนี่ยนะสารพัดเสียงเนี่ยนะโอยสารพัดเสียงก็ใครนับทือรัที่ใดกลุ่มไหนนิกายไหนไปเถอะไม่มีผิดหวังว่า ง, างั้นนะไปหาที่นั่นนะไปหาที่เดียวเนะี่ยแหละไปหาแถวบริเวณที่พระสังเวชนิจสถานเนี่ยไปหาเถอะเดี๋ยวจะได้พบได้พบอ่ะนะได้พบแน่นอนว่าได้คุยกหลือเปล่าเรื่องหนึ่ง